นัดศึกษาสมาธิอีกไม่หนีไปไหนยังอยู่ <c oughs> นี่เรื่องของการเรียนสมาธินี่ที่จำเป็นต้องทำเป็นขั้นตอนเพราะเพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะว่า ตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อเคยไปเรียนสมาธิเนี่ยมันไม่มีขั้นตอนพอถึงบอกว่านั่งสมาธิเปล่านั่งเอานั่งให้มากนั่งทำยังไงก็ทำแต่ว่าเราไม่ทราบถึงว่าเมื่อทำไปถึงตรงนี้แล้วมันคือชื่อว่าอะไร แล้วเมื่อทำถึงตรงนี้แล้วเราจะทำต่อไปอย่างไรนี่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงในขณะนี้รวมพ่อก็เลยทำในเรื่องที่ว่าเมื่อทำมาถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนี้ทำอย่างไรจะต้องทำอย่างไงอีกต่อไปเมื่อมา อยู่ในระบบนี้้ความเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยมันเร็วขึ้นความเคลื่อนไหวของจิตเร็วขึ้นแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้รับมากขึ้นแม้จะใช้เวลาน้อยแต่ก็ได้รับแบบประโยชน์มากก็ห <c oughs> มายความถึงว่า ได้รับได้มีการพัฒนาสมาธินี้ขึ้นที่มีความภาคภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งในการที่อยู่กับพระอาจารย์ก็คือเราได้รับบทบาทของความจริงได้รับบทบาทของสิ่งที่ถูกต้องและความจริงในสมัยนั้น เรื่องของสมาธินี่จะลึกลับกว่าสมัยนี้เยอะมากในสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นสมณีน อ, อยู่ <c oughs> ที่ว่าลึกลับนั้นเพราะว่าค่าความเข้าใจคือความเข้าใจของคนที่เข้าใจกันในสมัยนั้นมีความเข้าใจว่าการทำสมาธินี้ จะทำเท่าไหรเท่าไหร่ผลมันก็ไม่ได้อะไรมานอกจากว่าทำแล้วก็ทิ้งไปเปล่าๆเรียกว่ามัดผลสมาธิฌานเป็นสิ่งที่หมดเขตหมดสมัยไม่ใช่เวลาที่จะทำสมาธิเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าในที่ทุกผนทุกแห่งทั่วประเทศไทย จะมีผู้สอนสมาธิเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเรื่องของการ อ, อ, อธิบายถึงเรื่องสมาธิจึงจำเป็นที่จะต้องออว่ากันเป็นขั้นตอนอย่างในวันนี้คือความตื้นของฌานความตื้นของฌานนั้นข้อความคงมีนิดเดียว แต่ว่าทำไมจึงต้องมาเป็นหลักสูตรในข้อนี้ด้วย <c oughs> ในการอธิบายเฉพาะที่เขียนเอาไว้ในเล่มเนี่ยก็อธิบายยืดยาวแต่ว่ามันมีข้อใจความอยู่ข้อเดียวคือยุทธภูมิยุทธภูมินั้นหมายถึงแหล่งที่เกิดหรือเรียกว่าแหล่งที่ปลอดภัยหรือว่า แรงที่จะกำรรชัยชนะเรียกว่ายุทธภูมิในที่นี้ให้เชื่อว่าธรรมะยุทธภูมิธรรมะยุทธภูมินั้นเป็นที่จะต้องยึดยึดถือเป็นหลักถ้าหากว่าในยุทธภูมินั้นไม่ใช่ยุทธภูมิหรือว่าเป็นที่ที่เราต้อง ตั้งกองทัพไม่ได้ก็ไม่ใช่ยุทธภูมิแต่ยุทธภูมิก็หมายถึงว่าตั้งกองทัพได้ปลอดภัยสามารถที่จะกำชัยชนะฆ่าศึกได้มีที่กำบังมีแหล่งที่เกิดมีอาหารมีอาวุธมีอะไรพร้อมมูลเพราะฉะนั้นยุทธภูมิที่ว่านั้นจึงอยู่ที่ การเคลียร์คือการเคลียร์กายหยาบในการที่เราจะทำจิตให้เป็นสมาธินั้นมันจำเป็นที่จะต้องเคลียร์กายหยาบของเรานี่อันนี่คือหลักเกณฑ์ขั้นแรกหลักเกณฑ์ในการที่จะดำเนินการเพราะว่าร่างกายของเราในขณะนี้และเวลานี้ เราจะรู้สึกหมดทุกส่วนจะเป็นตาจะเป็ น, นแขนขาจะเป็นสิ่งใดก็ตามเราจะรู้สึกหมดทุกส่วนนี่เรียกว่าเราไม่ได้เคลียร์คือหมายความว่าไม่ได้ชาระล้างก็จะต้องให้เกิดความรู้สึกเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเหมือนกับการที่ไม่มีสมาธิ เรียกว่าตั้งอยู่ที่หน่วยศูนย์การที่จะเดินไปถึงเลขหนึ่งมันก็จำเป็นต้องตั้งหน่วยศูนย์ก่อนเมื่อขึ้นต้นแล้วก็จะต้องเป็นเลขหนึ่งต่อไปสองสามสี่ห้าร้อยพันอะไรก็ว่าไปทีนี้ศูนย์ที่ตั้งคือหมายความว่า อันดับแรกของการทำสมาธินี้อยู่ที่การเคลียร่างกายของเราเพื่อให้อหมดความรู้สึกไปทีละน้อยละน้อยอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการบริกรรมพุทโธเนี่ยนั่นคือเริ่มการเคลียรเริ่มการที่จะเคลียให้ร่างกายเนี่ยเอ ค่อยๆหมดความรู้สึกไปอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ อ, อจึงถือได้ว่าหลักของเบื้องต้นนั้นทิ้งไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกไว้แล้วว่าที่ตั้งของจิตอยู่ที่ไหนอันนั้นเราจะต้องตั้งเอาไว้นะั่นมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นแล้วเราตั้งอยู่นั่นมันก็จะต้องตั้งอยู่ตลอดไป อย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าเมื่อเราตั้งใจของเราได้เราวางใจของเราได้เราตั้งใจและ ว, วางใจของเราได้แล้วก็จะเกิดการเคลียร์ร่างกายของเราขึ้นเมื่อการเคลียร์ร่างกายของเราเนี่ยไปเคลียร์น้อยแล้น้อยจนได้ที่จิตมันก็สงบคาว่าจิตสงบก็คือ ความนึกคิดอื่นๆมันเริ่มจะจางออกไปหายไปหายไปหายไ ป, ยไปจนกทั่งเหลือแต่พุทโธแล้วก็นอกจากนั้นร่างกายที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยมันก็จะหมดค่อยๆหมดความรู้สึกเมื่อการหมดความรู้สึกเกิดขึ้นอันนั้นแล้วก็จะเกิดฌานขึ้นทีนี้อันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องฌานในวันนี้ ก็คือว่าฌานตื้นฌานนั้นก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของสมาธิฌานตื้นและฌานลึกสมาธิก็มีสมาธิตื้นและสมาธิลึกเนี่สองอย่างและทีนี้ก็มาถึงสมาธิธรรมชาติและสมาธิที่สร้างขึ้นอย่างนี้ก็เริ่มต้นมาด้วยกันอย่างนี้ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสับสนหลวงพ่อก็เลยแยกฌานออกมาพูดซะใใอีกคือแยกฌานออกมาพูดว่าอย่างนี้ลักษณะนี้คือฌานแต่ว่าเป็นฌานตื่นหรือว่าเป็นฌานธรรมชาติฌานตื่นหมายถึงฌานธรรมชาติ ชา้นที่ชา้นตื้นที่สร้างขึ้นมันก็มีทั้งสองอย่างชานนี้เป็นชานที่สร้างขึ้นก็มีชานที่เป็นชานธรรมชาติก็มีอย่างนี้เป็นต้นชานธรรมชาติคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการต่างๆผลของการประกอบกิจการที่กำลังจะบรรลุเป้าหมาย และบรรลุเป้าหมายแล้วความสุขอันเป็นอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแก่เขาในที่นี้เราจะต้องรู้จักว่าเราเนี่ยเกิดชานมาตั้งแต่เกิดชานเพราะเรามีมาตั้งแต่เกิดจกนกระทั่งปบันนี้แต่เราไม่รู้ว่าอันนั้นคือชานแต่ชานนี่มันจะต้องเกิดขึ้นมาเป็นอัตโนมัติคือไม่ใช่ว่า จะจับหรือว่าจะกระทำหรือว่าจะอะไรขึ้นมาอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการเกิดตามอัตโนมัติของการบรรลุเป้าหมายหรือของความสาเร็จอย่างนี้ <c oughs> อันนีออ้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจให้สาเร็จนั้นเป็นเรื่องชโลมใจแก่มนุษย์โดยทั่วไป ชา้นตื้นของธรรมชาตินั้นย่อมเกิดจากการกระทําคือการกระทําต่างๆจะเป็นกิจการงานเป็นอะไรๆต่างๆเหล่าเนี้ยพอเมื่อสําเร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสุขความสุขันนั้นไม่ได้ปรุงแต่งแต่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้ประสบและได้สําเร็จดังนั้น การกระทาจึงชื่อว่าเป็นสมาธิในขณะเดียวกันนั้นสมาธิธรรมชาติ <c oughs> ก็เป็นสมาธิที่เขาได้จัดการไปในตัวเองเช่นอย่างการนอนหลับเป็นต้นการทํางานไม่พลาดพลังเป็นต้นหรือว่าการทำํำจิตใจจดจ่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสมาธิทั้งทั้งสิ้น แต่สมาธิเหล่านั้นคือสมาธิธรรมชาติและในขณะเดียวกันนั้นก็จะเกิดฌานธรรมชาติขึ้นมาด้วยเหตุดังกล่าวการงานจึงมีสมาธิเป็นตัวจึงมีสมาธิไปในตัวเนื่องจากพวกเขามีกำลังใจ กำลังใจจะเกิดขึ้นจากสมาธิโดยตรงไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีพลังคือมีกำลังใจถ้าไม่มีกาลังใจเนี่ยงานทุกชิ้นเนี่ยมันจับเป็นไปไม่ได้แต่การที่มีกำลังใจขึ้นมาได้นั้นเขาต้องมีสมาธิถ้าไม่มมีสมาธิจะเอากำลังใจมาจากไหนเพราะฉะนั้นในการจดจ่ออยู่ในกิจการก็ดี ในการจดจอ่ออยู่ในการทำงานก็ดีในการจดจอ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ดีสิ่งณนะที่นั้นคือสมาธิธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอนหลับไปได้ก็เรียกว่าทาสมาธิธรรมชาติส่วนฌานนั้นเป็นผลของความสำเร็จฌานจึงเป็นส่วนที่มีความสุขเช่นบุคคลทำโรงงาน ก็ต้องรวบรวมสรรสรรพระกำลำังทั้งกายและใจที่จะทำให้เกิดสติปัญญาเมื่อความพร้อมทั้งกายและใจแล้วการสร้างโรงงานก็เริ่มขึ้นความพยายามเรีย ก, กว่าความเพียรความเพียรก็พร้อมสับการมีจุดเริ่มต้นก็คือ จะมีการก้าวหน้าต่อไปที่จริงแล้วไม่ว่ากิจการใดๆจะต้องมีอุปสรรคคือสิ่งขัดขวางต่อการงานนั้ น, น, นเมื่อคนทำโรงงานขึ้นมานั้นมันอาจจะขาดคนงานมันอาจจะขาดเงินมันอาจจะขาดมันอาจจะมีสิ่งเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติ อะไรต่างๆอาจเกิดขึ้นตลอดใจกระทั่งฝ่ายศัตรูตรงกันข้ามอะไรเหล่านี้เมื่อสมาธิให้กําลังใจออพอเพียงก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างตลอดรอดวังอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะสร้างโรงงานไปสักครึ่งหนึ่งลมพัดทังไปหมดหมดกําลังใจ หรือเปล่าไม่หมดเมอไม่หมดก็ทำต่อไปอย่างนี้เป็นต้นโรงงานของเขาก็จะสู่ความสำเร็จสมมติว่าโรงงานนั้นเป็นโรงงานทอผ้าผลผลของผ้าต่างๆก็จะหลังไหลออกมาจากโรงงานอันนี้เป็นข้อที่เราหรือว่า ของจะคิดได้ว่าเมื่อทำโรงงานใดๆไปแล้วเนี่ยผลผลของโรงงานก็ต้องออกมา เ, เมื่อสมาธิให้พลังใจของเขาเขาก็มีกำลังใจที่ไม่เสียหายเขาก็สามารถที่จะส่งผลพันธุ์ออกไปขายทั้งในและต่างประเทศ อันนี้ก็คือกําลังใจเนี่ยไม่ได้แค่ขาดสลายไปแต่กําลังใจเหล่านั้นจะต้องเข้าใจว่ามาจากสมาธิ <c oughs> ในที่สุดผลกําไรก็ออกมาจนบรรลุเป้าหมายกลายเป็นคนรวยหรือเป็นเศรษฐีขึ้นมาโดยฉับพลันการที่เป็นเช่นนั้นขึ้นมาเนี่ยอสําเร็จขึ้นมาจาก พลังจิตทั้งหมดที่ได้สนับสนุนเขาให้สำเร็จเป็นเศรษฐีขึ้นมาโดยจับพลันเมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขชนิดหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราคึงจ ะ, เ, ะเข้าใจว่าบุคคลผู้ทำงานสำเร็จอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างเดียว เ, เมื่อสำเร็จขึ้นมาแล้วความสุขอันนั้นเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น แล้วก็ไม่มีใครที่จะจับโยนมาให้หรือเราไม่ได้ไปคอยยืมความสุขอนนี้มาจากใครแต่ว่าความสุขอันนี้จะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติหมายความว่าจะมีความสุขแบบที่จะวันก็ได้คืนก็ได้เดือนก็ได้ปีก็ได้อะไรเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> ความสุขนี้<อ><อ>ก็จะมีอย่างมากแก่เขา เราจะเปรียบความสุขนี้ว่าเป็นฌานไม่ใช่เปรียบเราจะเรียกความสุขนี้ว่าเป็นฌาน <c oughs> เหมือน ก, นกันกับที่เขาที่เขียนเอาไว้ในเล่มนี้เราบอกว่าเปรียบเหมือนทองดำแต่ว่าเขาไม่ยอมพิมพ์ตามคำที่หลวงพ่อว่าเขาเลยเปรียบเหมือนทองคำไปเลยอย่างเนี้ยเนี่อยอ้เนี้ย ทองคำาก็ต้องเหลืองใช่ทองดำน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยมันเป็นทองดำอัน <c oughs> นี้เพื่อนเลยมาพิมพ์ผิดไม่เป็นไรเราผิดตัวเดียวเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นชานแบบชานเต้นแบบธรรมชาติแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชลมใจมนุษย์ให้เกิด ให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นหนักหนาเพราะต้องการให้ทราบว่าในในการอธิบายเช่นนี้ต้องการให้ทราบว่าฌานตื่นนั้นเป็นอย่างไรฌานตื่นนั้นคือฌานฌานตื่นของธรรมชาติเป็นอย่างไรอันนี้แล้วบางคนบอกว่านั่งสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่เห็นได้ฌานเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นฌานสักที อันนี้แ ท, ท้จริงอ่ะเราก็มีฌานมาแล้วแต่ว่าไม่มีใครบอกว่าอันนี้คือฌานแบบเดียวก็หลวงพ่อไปอยู่กับพระอาจารย์เนี่ยแปดปีก็ไม่รู้ว่าไอ้ น, นี่มันคือฌานแต่เราก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอันนี้คือฌานลักษณะเดียวกันแต่ทีนี้ส่วน ออันนี้เป็นชาตธรรมชาติอันนี้เราคงจะพอเข้าใจเพราะว่าในการอธิบายเนี่ยต้องการให้นักศึกษาเนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างที่หลวงพ่ออธิบายคือต้องการอยากให้เข้าใจว่าไอชาตธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้โดยที่ว่าไม่ต้องสะทกสะท้านว่าคําพูดนี้มันจะผิดนั่นเป็นความจริงที่มี <c oughs> ส่วนที่รับรอง ทุกแห่งเพราะฉะนั้นทีนี้มาว่าถึงฌานที่สร้างขึ้นจากสมาธิที่สร้างขึ้นก็จะเป็นกลไกแห่งคู่ที่มีความรู้ในทางด้านจิตใจได้สร้างระบบงานนี้ขึ้นเรียกว่าสมาธิฌานเอสมาธิที่สร้างขึ้นนี้หมายความถึงว่ า, าบุคคลในเบื้องต้นผู้ที่คิดคน้นหรือผู้ที่ จะแหวงหาในทางด้านจิตใจตลอดจนกระทั่งเบื่อหน่ายต่อความมีชันในชานธรรมชาติต้องการอยากจะได้สิ่งที่มันดีไปกว่านี้บุคคลพวกนั้นเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการที่จะสร้างระบบงาน ของสมาธิและฌานขึ้นเจึงได้พยายามคิดคน้นก็คิดค้นก็คงจะต้องนานกว่ามันจะเป็นระบบงานของสมาธิขึ้นมาทั้งฌานทั้งนี้เพื่อให้เกิดฌานที่มีประสิทธิทภาพมากกว่าฌานธรรมชาติเพราะฌานธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นจากการประกอบกิจกรรมส่วนฌานที่สร้างขึ้นเกิดจาก การสร้างสมรรถภาพทางด้านจิตใจคือทาด้านจิตใจเนี่ยอันอันจะเกิดฌานได้ไม่ยากแต่มีผลมากคือมายความว่าอย่างที่เอเราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแล้วไม่ยากในการทำและไม่ยากในการที่จะเกิดขึ้นเพราะว่า เขาได้สร้างระบบมาให้แล้วกว่า <c oughs> <sk ill> ชานธรรมชาติคือหมายความว่ามีผลมากกว่าชานธรรมชาติด้วยเหตุผลดังกล่าวการสร้างระบบหลักสูต ร, รในการที่จะให้ได้ชานที่สร้างขึ้นจึงต้องจัดจัอ จ, จัดขึ้นจากกระแสะของความนึกคิดมันไม่เหมือนกันกับโรงงาน เหตุแล้วเขามีแผนมีผังมีข้อขีดเขียนมีอะไรข้อหนึ่งข้อสองแต่ทีนี้สำหรับการที่จะวางแผนเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเนี่ยมันมันจำเป็นต้องอาศัยกระแสของความนึกคิดผู้ที่จะผู้ที่จะคิดค้นคว้าในเรื่องทางด้านนี้ จ, จึงจำเป็นต้องจับกระแสจิตของตนเองก่อนหมายความว่าค้นคว้าในตัวเองอาจจ ะ, เ, ะเราค้นคว้ามาชาตินึงไม่สำเร็จก็ตายไปแล้วระบบนี้ก็มีคนค้นคว้าต่อตายไปอีกระบบนี้ก็มีการค้นคว้าต่อจนกระทั่งเกิดมาเป็นระบบขึ้นมาะจะขึ้นจากกระแสของความนึกคิด ตามแผนผังของกระแสที่มีความสลับซับซ้อนของวิถีจิตที่มันสัญจรไปตามอารมณ์นับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในของวิถีจิตทั้งหลายในจิตของคนเราเนี่ยมันมีเยอะออที่มันสัญจรแล้วมันคิดมันอ่านไม่รู้ว่าจะจับจุดตรงไหนที่มันจะเป็นฌานจับจุดตรงไหนที่มันจะเป็นสมาธิเพราะฉะนั้น แค่ผู้ที่คิดค้นเนี่ยจึงต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยการเวลาอาจจะเป็นหมื่นเป็นอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีในวิถีของจิตทั้งหลายแต่อาศัยผู้ที่มีความรู้แจ้งเห็นจริงจากการค้นคว้านับนับเวลาเป็นพันพันปีก็สามารถจัดระบบของวิถีจิตเอามาเป็นตำราว่า ด, ด้วย สมาธิฌานจนเป็นแบบแผนและเข้าใจง่ายในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อนอ้วิธีการของการทำสมาธิมาก็าดีหรือพระอาจารย์ของหลวงพ่อนำเอาวิธีการของสมาธิมาก็าดีอันนี้เราจะต้องยอมรับว่าผู้ที่คิดค้ดคนขึ้นในเบื้องต้นนั้น มีความสามารถอย่างยอดเยี่ยมที่จะทำสมาธิสร้างขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นผลมากขึ้นง่ายขึ้นมากขึ้นถ้าเราจะคิดเปรียบเหมือนในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันกันกบไฟฟ้าไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะเกิดมาเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ได้นั้น ต้องคิดกันนานแสนนานกว่าจะสาเร็จเป็นไฟฟ้าต้องใช้การคน้นิดค้นเหนื่อยยากลาบากอย่างมหาศาลแม้กระทั่งตอนเ่อหลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่ไฟฟ้านี่เกิดจะไม่รู้จักว่ามันเป็นอะไรแลวยังไม่รู้อีกด้วย ท, ทั้งที่การคิดค้นไฟฟ้านี่ มาเป็นหลายร้อยปีมาแล้วอย่างเนี้จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันอย่างนี้ไฟฟ้าได้นำไปใช้สารพัดอย่างนานบประการี่นัก้นคว้าและคิดขึ้นทีนี้พวกนักค้นคว้าและคิดขึ้นนั่นเอาให้ง่ายง่ายง่ายจนเราไม่รู้จะง่ายยังไงอีกแล้วจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเรา ก, กดปุ่มเท่านั้นเองไฟก็ออกแล้วอย่างนี้มันง่ายเหลือเกินหมายความว่าเราจะต้องยอมรับว่าไอคนคิดค้นในครั้งแรกเนี่ยมันเก่งแค่ไหนในเก่งขนาดที่ว่าเอาน้ำเป็นไฟเนี่ยแล้วยังมาเป็นแสงสว่างอีกอย่างนี้เป็นต้นก็เช่นเดียวกัน กับเรื่องของฌานที่สร้างขึ้นปรากฏผลด้วยการมาเรียนสมาธิซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักเราก็ได้พบฌานกันแล้วอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้อธิบายกันถึงเรื่องฌานตืนแล้วทีนี้เรามาคิดถึงประโยชน์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากฌานตื่นนี่มีเป็นมหาศาลมนุษย์ ทุกคนในปัจจุบันอาศัยชาญตื่นอันนี้แหละที่เป็นเครื่องอทำให้เรามีชีวิตกันอยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าการที่จะทำให้เกิดาชาร์ขึ้นมาก็อย่างที่เราก็ทราบกันแล้วว่าชารเนี่ยเพียงกดปุ่มกดปุ่มยังไงก็บอกว่า โรงเรียนครูสมาธิสอนสมาธิมานั่งสมาธิกันเส้ก็มานั่งนั่งเสร็จแล้วก็ตัวลอยเลยไม่รู้ใครลอยขึ้นไปอยู่บนยอดจะดีมีอยู่สี่ห้าคนลอยขึ้นไปบนยอดจะดีแต่แปว่าลอยจริงๆนะใจมันลอยขึ้นไป <laughs> เป็นอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามเราก็เมื่อมาเรียน สมาธิแล้วผลก็เกิดขึ้นความโศกความเศร้าความหมดอะไรตายอยากสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยากได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาได้ในเมื่อเราไม่ประสบผลสาเร็จสิ่งที่นั้นไม่ประสบผลสาเร็จสารพัดอย่างแล้วก็ไม่สงความปรารถนาะ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความน้อยอกน้อยใจตลอดจนกระทั่งความเศร้าอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะ อ, อยู่ในฐานะใดจะต้องเกิดขึ้นแต่การเกิดขึ้นเหล่านั้นถ้าเราสามารถมีสมาธิได้มันก็เกิดขึ้นชั่วระยะ อันนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งคงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีสมาธิไม่มีฌานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนี้ <c oughs> พอมันเศร้าขึ้นมาแล้วสมาธิธรรมชาติมันช่วยไม่ไหวฌานธรรมชาติก็ไม่เกิดหายไปเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลผู้นั้นก็จะมีชีวิตที่เศร้า และมีชีวิตที่หมดอะไรตายอยากเป็นชีวิตที่เรียกว่าไม่มีชีวิตก็แล้วกันนะก็คงจะต้องอจบการอธิบายวันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องหลวงปู่มั่นให้รีบๆจบสถทีก็คงดีแต่ว่าการที่หลวงพ่อคุย ถึงเรื่องหลวงปู่มั่นนั่นอันนี้คือเกร็ดไม่ได้เขียนในประวัติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขียนไม่ได้เป็นความลับเราเอมาพูดให้ลูกศิษย์ฟังเท่านั้นเองไม่ได้ประกาศออกไปภายนอกเพราะฉะนั้นเอสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ ถ้าหากว่าไม่จดจำจริงๆก็คงลืมหมดเพราะว่าปีที่ไปทำศพหลวงปู่สาวนั่นเป็นปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าถ้านับจากนั่นมาถึงเวลานี้ ก็คงเข้าไปหกสิบปีแล้วหกสิบ <c oughs> ปีกว่าเพราะฉะนั้นไม่ได้เขียนเป็นตัวอักษรไว้แต่ว่าก็จำอยู่ในใจก็ยังจำได้เมื่ อ, อวันหนึ่งก็จะมีการแสดงธรรมเทศนาเมื่อหลวงปู่มั่นอยู่ที่นั่น มีใครที่จะกล้าขึ้นเทศเขาไปนิมนต์หลวงปู่สิงเฮ้ยไม่ได้ไปนิมนต์หลวงปู่เทศเฮ้ยไม่ได้ไปนิมนต์หลวงปู่สารเฮ้ยไม่ได้ไปนิมนต์หลวงปู่ชาเฮ้ยไม่ได้ตกลงไม่มีใครเทศพเมื่อไม่มีใครเทศเขาก็ไปอาราธนาหลวงปู่มั่น หลวงปู่ ม, มั่นทันเทศเอแลราก็ตั้งใจฟังว่าท่านจะเทศเรื่องอะไรนาะงานศบอย่างนี้ท่านก็ไม่ว่าเนี่ยมรดท่านท่านก็ไปเทศหลวงพ่อก็ถือย่ามเมือนกัเนเอ็นถือย่ามมาให้อย่างเงี้ยถือท่านเดินไปแล้วก็เดินตามไปพอเดินตามไปานกระตั่งนัโมแล้วก็ว่าว่าก้นมาเลยนะนะโมแล้วท่านก็บอกว่า ยาถาดันเดนกโคปโลท่านว่าอย่างงั้นแ่ะแล้วว่าค่อยแปลทีหลังก็แล้วกันอ <c oughs> แล้วขึ้นต้นท่านบอกว่าคนที่ทําอบายามุกถือว่าล่มหลวงเราก็ไม่เคยได้ยินคนที่ทําอะไรอบายามุกถือว่าล่มหลวง ทีนี้บายบายมุกเนี่ยก็มีสามอย่างว่านักเลงสุรานักเลงพ น, นันนักเลงอะไรเว้ยอีกสองฮะนักเลงผู้หญิงอะไรนักเลงอะไรผิดใช่ฮะแหน่แกก็ลืมซะแล้วนักเลงพ น, นัน นักเกลงสุรานักเกลงและอีกอะไรอัอนหนึ่งเอาละแล้วก็ไปดูตําราเอาไแล้วกันแต่ที่นี้หลวงพ่อมาติดใจคำว่าล่มหลวงท่านจะอธิบายยังไงใ น, ในการล่มหลวงท่านบอกว่าคนกินเหล้าถือว่าล่มหลวงคนเล่นการพ น, นันถือว่าล่มหลวงล่มหลวงนี่คือหมายความว่า หลวงเนี่ยหมายถึงประเทศอ่าล่มเนี่ยหมายถึงการทําลายแต่ภาษ า, าอทยสายเขาว่าล่มล่มคือว่าหมายความว่าล่มหลวงล่มหลวงคือทําลายหลวงทําลายหลวงก็คือทําลายประเทศทําลายประเทศก็คือทําลายว่าประเทศเนี่ยต้องมีรัฐบาลมีอะไรอย่างเงี้ยประชาชนอย่างเงี้ยเรียกว่าประเทศ ทีนี้ ท, นท่านอธิบายต่อไปอีกว่าร่มหลวงนั่นเป็นยังไงพอไปเล่นการพนันและไปกินสุลาอพอไปเล่นไปเล่นการพนันแล้วการงานก็ไม่ทำไปกินสุลาเมาแล้วขับรถก็ความอย่างเนี้ยทีนี้พอลดความแล้ว แล้วก็เอไม่ได้ทําการทํางานแล้วเงินตัวเองก็ไม่มีไอ้ที่จะไปเสียภาษีให้รัฐบาลก็ไม่มีรัฐบาลก็เลยไม่ได้ภาษีรัฐบาลก็ต้องร่มหลวงไปด้วยนี่แค่เดียวนี่ท่านอธิบายไปอย่างนี้แต่ว่าทําไมท่านถึงอธิบายได้ภาษีนี่หลวงพ่อไม่เคยรู้เลยตั้งแต่ครั้งนั้นท่านคูยขึ้นมา แล้ววันนี้เป็นวันที่จะต้องเทศเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายแต่ท่านก็เลยมาเทศเรื่องนี้อีกทีนี้หลวงพ่อก็หันไปดู <c oughs> ไปดูพวกฆรวาดจะมีอยู่ประมาณสองร้อยคนมีพระประมาณสามร้อยก็หมายความว่าพระมากกว่ า, ามากกว่าฆรวาส และทีนี้เวลาที่ท่านเทศทําไมท่านไม่เทศพระท่านไปเทศล่มหลวงลวงไปแต่ว่าพอตอนสุดท้ายท่านก็เทศพระพอขึ้นต้นเนี่ยท่านว่าถึงล่มหลวงก่อนก็คงเล่าแค่นี้เทศกันเดียวยังไม่จบอตั้งแต่ไหนดี ไหนเบอร์ตั้งแต่เบอร์ไหนน่ยเริ่มตั้งแต่เบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามอ่าต่อไปก็ถือว่าเป็นการถามปัญหาการถามปัญหาก็ถือว่าถามปัญหาตามอัธยาศัยแต่ยังไงก็ตามการถามปัญหาก็ คงจะเอาเอ็ดตรงที่สงสัยจริงๆยังไงเนี่ยเพื่อไม่ให้การถามปัญหานี่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นและไปกระทบกระเทือนหมู่หนึ่งคณะใดก็คงจะถามปัญหาในเฉพาะที่เราสงสัยแล้วก็ในเรื่องของการร่ำเรียนมาก็เหมาะดี <c oughs> ฉะนั้นอันดับแรก ก็ขอเชิญคุณจงใจวิเศษมังคลนชัยตามนนักการหลวงพ่อที่เคารพนะเจ้าค่ะคือลูกจะเล่าเรื่องประสบการณ์การประิยัติที่ผ่านมานะคะมีครั้งหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งลูกได้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลูกได้ทําสมาธิแบบต่อเนื่องและมีคราวหนึ่งกลางคืนหลังจากที่ทําสมาธิแล้วขณะที่นอนลงไปเนี่ยลูกพยายามกําหดดลมหายใจดูลมหายใจไปเรื่อยๆค่ะที่กําหนดลมหายใจดูลมหายใจไปเรื่อยๆนั้น มีความรู้สึกว่าเหมือนจิตมันกำลังจะเข้าาวังนะฮะมันเขารู้ว่าจิตกําลังจะหลับจะหลับแล้วไนดะมันกำลังจะหลับแล้วนะเหมือนจะหลับแล้วนะแล้วมันก็หลับไปถึงม่อจุดตรงนี้อะตอนเช้าตื่นขึ้นมามีความรู้สึกวมันมีความเหนื่อยของร่างกายหรืออะไรก็ตามร่างกายรู้สึกสดชื่นมีกําลังสมาธิมากทิ่นี่จะขอถามว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นในการที่จะพัฒนาในการทําสมาธิให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะฮะหลวงพ่อ การที่เราจิตไปรวมเอาคือว่าจิตไปได้สมาธิในขณะที่มันหลับคือหมายความว่าสมาธิเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้ทุกขณะแม้กระทั่งนอนหลับแต่ว่านอนหลับนั่นะมันเป็นสมาธิธรรมชาติอยู่แล้ว มันก็คงเป็นผลตามธรรมชาติแต่พอเราทําสมาธิที่สร้างขึ้นเนี่ยเราทําขึ้นมามันก็เกิดไปสงบเอาไอตอนที่เนี่ยจิตมันเข้าผวังลงไปไปสงบว่าตอนนั้นไปเป็นสมาธิตอนนั้นมันก็เลยเพิ่มให้ประสิทธิภาพของการหลับเนี่ยมากขึ้นตรงนั้นก็ได้พลังจิตอยู่แล้วจากการ เมื่อเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยบ่อยๆครั้งก็ถือว่าสามารถเพิ่มพลังจิตได้เยอะดีอะเฮ้ยมีอีกข่าวหนึ่งนะคะหลังจากที่เออ่ทําสมาธิลงไปแล้วเนี่ยแค่ว่าความรู้สึกของกายมันยังมีมันมีมันมีอยู่แต่มันมีน้อยมากมีความรู้สึกว่ามันมันรวมอยู่ที่กลางอกกันฮะหลวงพ่อรวมอยู่ที่กลางอกเบาๆสบายๆแล้วทีนี้มีความรู้สึกว่าหลังจากที่นั่งไปนานพอสมควรมันรู้สึกตัวเอ๊ะถามตัวเองว่าเราหลับไปหรือเปล่าเนี่ย แต่ยังบอตัวเองไม่เอ๊ะหลับหรือเปล่าแต่ก็มีความมันก็ไม่ได้สะพังโงกหรือไม่ได้อะไรความรู้สึกตัวมันยังมีอยู่เบาๆนะฮะอันนั้นเรียกว่าจิตเข้ารวังและเข้ารวังในการสร้างขึ้นรวังนี่มันจะมีอยู่สองรวังระวังที่เรานอนหลับนี่เขาเรียกว่ารวังธรรมชาติแต่เมื่อเวลาทําสมาธิจิตมันเข้ารวังนี่เขาเรียกว่ารวังสร้างขึ้นมันก็มี มันมีผลแตกต่างกัน <c oughs> อ่าต่อไปขอบคุณขอเชิญคุณวีระสิริอาชากณฑลมณมาตการหลวงพ่อเตปีบคำถามที่จะถามหลวงพ่ออยู่สองข้อครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเวลาที่เราทำสมาธิมักจะมีกระแสความคิดที่มันเกิดขึ้นตอนจะคัดจังยังไงครับผม อกระแสที่มันเกิดขึ้นนั้นคืออารมณ์แสรกแสงเขาเรียกว่าอารมณ์แสรกแสงอารมณ์แสรแสงอันนี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยอถ้าเรากําหนดจิตเอาไว้แล้วอารมณ์แสรกแสงเหล่านี้ไม่มีผลจิตยังเป็นสมาธิอยู่ตามปกติบางทีเราคิดว่าเวลาที่เราจิตมันเ บริการพุทโธห ร, รือว่าจิตจดจ่ออยู่เนี่ยมีอารมณ์เข้ามาแทรกแซงเนี่ยคิดว่าไม่ใช่สมาธิแต่แต่เป็นสมาธิพระอะไรอะไรลราถึงเรียกว่าเป็นสมาธิได้เพราะว่าเรารู้ว่าอารมณ์นั้นได้เข้ามาเนี่ยเราเป็นเรารู้เนี่ยถ้าหากว่าจิตมันไม่เป็นสมาธิเนี่ยอารมณ์มันจะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่รู้่มันนึกอะไรแต่พอเวลาที่จิตเป็นสมาธินี่มีอารมณ์เข้ามาแต่เรารู้อารมณ์นั้นในไม่ช้าอารมณ์นั้นมันก็จะสลายตัวไปเองนี่ลักษณะหนึ่งแต่อีกลักษณะหนึ่งนั้นเมื่ออารมณ์เข้ามาจิตของเราเนี่ไม่เข้มแข็งพอก็เลยอารมณ์นั้นเข้ามา รบกวนใจจนกระทั่งใจไม่เป็นสมาธิอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองครับเวลาที่เราแผ่เมตตาส่วนกุศลถ้าเราแผ่ให้คนเดียวกับแผ่หลายคนนี่ผลที่ได้จะต่างกันไหมครับอถ้าหากพว่เราแผ่หลายคนอนั้นจะเรีย ก, กว่าโดยทั่วไปอาจจะได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างแต่ มาค่อยแพลโดยเฉพาะเจาะจงคือหมายความว่าคนนี้คือปิตามันดาวของเราที่เราได้เคยพบท่านมีรู้จักหน้าตาหรือว่าเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยอันนี้เราก็โดยเฉพาะอันนี้ก็จะแอดถึงได้โดยเฉพาะกราบขอบพระคุณครับต่อไปขอเชิญคุณพูนศรีธารสนทยา กับนวมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ยค่ะขอเรียนถามว่าเมื่อหลวงพ่อจะนั่งสมาธิกำหนดจิตหลวงพ่อกำหนดจิตไว้ที่ใดและหลวงปู่มั่นกำหนดจิตไว้ที่ใดอีกเรื่องนะคะอะสมาธิที่หลวงพ่อสอนนักศึกษาครูสมาธินี้เหมือนกับของหลวงปู่มั่นและเหมือนกับ อาณาปานสติอย่างไรคะหลวงปู่ม่นท่านตั้งไว้ที่ไหนหลวงพ่อไม่รู้ท่านแล้วแต่เฉพาะหลวงพ่อเองเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่โพธิ์บองซ้ายตลอดมา <c oughs> แต่อาณาปานสตินั่นนะ่ะคือใช้ได้ทั่วไปคือหมายความว่า กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้พุทเข้าโทออกอย่างนี้เขาเรียกว่าอนนาปานสติแต่ที่จริงแล้วนั้นหลวงพ่อไม่ได้ทําอย่างนั้นคือว่าลมหายใจจะเข้าจะออกเราไม่คํานึงถึงแต่เราตั้งจิตไว้ในที่เดียวรู้สึกว่าได้ผลกว่าก็ต้องทําอย่างนี้รนะการาบณัมสกานเจ้าค่ะทีนี้ก็ถึงคุณลัก คนาบรรพศประการการในเทศการพระอาจารย์เจ้าคะสิบมีคําถามอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งคือบางครั้งการนั่งสมาธิแล้วเกิดการสะดุง้งพออ่านในตําราจะทราบว่าเนื่องมาจากสมาธิเสื่อมอยากกลับเรียนถามว่าถ้าสมาธิเสื่อมคนอื่นสามารถช่วยได้ไหมข้อที่สองนะคะกลับเรียนถา ม, ถามท่านพระอาจารย์ว่าอันยี่สองของการทําทุดง เป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างอที่ว่าทําสมาธิแล้วสะดุงนั้นอ่ะไม่ใช่สมาธิเสื่อมสมาธิเสื่อมไม่ได้มีการสะดุงมันจะละลายตัวไปโดยที่ว่าไม่ได้มีความสนใจส่วนการสะดุงนั่นคือการจิตเป็นสมาธิแต่การเป็นสมาธินั้นบางทีการเข้าผวา หรือว่าการที่จะเข้าสมาธิเนี่ยเราอาจจะคิดเร็วไปมันก็เลยจิตจะเข้าสมาธิมันก็เลยไปกระทบกับไอ้ลมหายใจหรือไปกระทบกับอะไรบางอย่างก็เลยสะดุง้งแต่ว่าการสะดุ้งในการทำสมาธิน่ะจิตกำลังจะเป็นสมาธิและจิตก็เป็นสมาธิแล้ว แต่บางคนอย่างนี้พอเวลาที่จะจิตจะเข้านี่มันต้องสะดุงสกีก่อนอันนี้เป็นนิสัยของบางคนอีกด้วยซ้ำไปแต่เพราะฉะนั้นการสะดุงไม่ใช่เป็นการที่ทำให้สมาธิเสื่อมข้อที่สองอันนี้สองการเดินทดลงนั้นเพื่อสัมผัสอของจริงในชีวิต การสัมผัสของจริงนั้นบางทีเราก็ไม่เคยสัมผัสตลอดชีวิตหนึ่งแต่เมื่อมีชีวิตหนึ่งได้เคยสัมผัสของจริงก็ถือว่าได้ประสบพการที่สูงที่สุดหาค่าไม่ได้คือหาค่าไม่ได้เมื่อเวลาที่ไปประสบเช่นนั้นและอานิสงส์นั้น ในคำที่ท่านแสดงไว้เยอะสำหรับอานิสง์การาทาพุดงเนี่ยสา ม, มารถที่จะมีอานิสงค์มากกว่าทอดกระถินเจ็ดครั้งหรือว่าอะไรอย่างงี้เป็นต้นกราบขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณสุมาลีหวังโชติกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะสิทธิ์ได้ นอนทําสมาธินะคะแล้วจากนั้นสิทธิ์ก็ได้ยินเสียงหวีดร้องของของเปด น, นะคะสิทธิ์อยากจะถามว่าอาจารย์ว่าสิทธิ์นึกไปเองหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ได้ยินเสียงร้องสองครั้งนะคะสิทธิเ์เลิมตาขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนนั้นสิทธิ์รู้สึกว่าสิทธิ์ยังไม่ได้หลับนะค ะ, อ, ะอันนี้มันก็ในขณะที่กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่น อาจจะเป็นได้ในขณะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าหลับไปแล้วก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าเวลาเปรดมันร้องเนี่ยมันมีอาทิตย์สมานกายและทีนี้ในขณะที่เราเนี่ยเข้าสู่อาทิตสมานกายก็หมายความว่าหมดความรู้สึกภายนอกเราก็จะเข้าสู่อาทิตสมานกายอาทิศสมานกายต่ออาทิตสมานกายเนี่ยเขาก็ จะฟังเสียงกันได้รู้เรื่องกันได้แล้วเราจะกำหนดยังไงให้คือให้เห็นรูปร่างของอันนั้นอันนั้น <c oughs> อันนั้นกำหนดไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่เห็นด้วยสมาธิ <c oughs> มันเห็นด้วยการจิตเข้าระวังอันนั้นเห็นอันนั้นทําอะไรไม่ได้เลยคือว่าต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนั้นไม่ได้มันจะเป็นไปตามเอ ความที่มันจะเป็นไปเองมันอย่างนี้เป็นต้นขอบคินค่ะพระอาจายกตัวอย่างซะหน่อย <c oughs> ในสมัยครั้งพุทธกาลมีเอเปรดสี่ตัวมาหลอกพระเจ้าพิมพิสารแอบเปรดสีตัวนั่นน่ะตัวหนึ่งมันมาลองว่าสู้ ทองเยอะแยะใช้หมดชีวิตก็ไม่เอไม่หมดแล้ว mm hmm. ก็มีเป็นเพื่อนกันอยู่สี่คนในสี่คนนี้ก็มาปรึกษากันว่าไอ้เงินทองเยอะแยะเนี่ยทําอะไรมาถึงจะดีที่สุดไอ้คนนึงก็บอกว่าซื้ออาหารให้มันอร่อยที่สุดและดีอีกคนนึงก็บอกว่าสร้างบ้านให้มันใหญ่ที่สุดนั่นแหละดีอีกคนนึงก็บอกว่าเที่ยวให้มากที่สุดนั่นแหละดี อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเมียใครสวยๆแล้วก็ไปหาเอาเอาเงินไปจ้างเอาลูกใครเมียใครไม่รู้ในที่สุดก็เลยทำตามคนสุดท้ายได้ทำเช่นนั้นตลอดชีวิตพอตายแล้วก็ได้ไปตกในโลหะกุ่มปีนรกเรียกว่านรกที่มันร้อนที่สุดโลหะแปลว่าสิ่งที่เผาให้ร้อน เป็นทองแดงทองเหลืองทองแดงอะไรก็ว่ากันไปแต่นี้มันไปตกอยู่ที่นรกนั่นน่ะได้ถึงหกแสนปีหกแสนปีเนี่มันไม่สามารถที่จะอะขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้คราวนั้นเขาปล่อยโอกาสถ้าไหนไม่รู้มันหลุดขึ้นมาแล้วมันก็เข้าไปวังของพระเจ้าปเสณทิโกศล พระเจ้าปเสนที่โกศลก็กำลังไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเมียเขาอ่ะแล้วจะบังคับให้ทหารเนี่ยไปจับเอาผู้หญิงคนนั้นจะเอามาเป็นเมียพูดกันว่ า, ง, วา ง, ง่ายๆหวังมันจะขณะที่จะไปเอานั่นแหละพรุ่งนี้จะไปเอาแล้วคืนนี้ไอ้เปรตมันก็รู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนับถือศาสนาพุทธ แล้วก็ปฏิบัติพระพุทธเจ้ า, าเดี๋ยวจะมาอยู่กับเราก็แย่แล้วก็เลยขึ้นมาเตือนทีนี้พระเจ้าปรเสนที่โกศลก็เลยไม่รู้จะทำยังไงลุกขึ้นมาก็ให้หมอหวน์พวกหมอทำนายโหราจารย์นี่มาไอ้ทุสนานสนี่มันอะไรกันมันมาล้องหลอกเรามาคืน